เริ่มต้นสวดตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าด้วยบุญกุศล เกิดทางจิตของข้าพเจ้าช่วยดลบันดาลให้ข้าพเจ้าสร้างบุญมหากุศลให้สมปรารถนาด้วยเทินคำอธิษฐานในการสวดมนต์ข้าแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมอันเชิญเทพพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดเสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุโมทนาและประสิทธิประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิน ข้าพเจ้าขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดพลาดประการใดด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดี ขอทุกๆพระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินข้าพเจ้าขอพระองค์ท่านทั้งหลายโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนี่จันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้ตาทิพหูทิพและเจโตปริยญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรม ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทินสาธุกราพร้อมกันสามครั้ง